ต้องการจะแก้ปัญหาชุดแต่บางคนก็พูดผิดว่า น, นางกรรมฐานตัดกรรมได้ตัดได้ที่ไหนอย่งั้นอาตมาก็ไม่ต้องขอหากสินะว้าพาแล้วนั้ะเนี่ยหน้ากรรมฐานต้องการจะใช้กรรมแต่ว่าใช้มันหมดในชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเกิดไม่ดีเหรอกาติบายนกรรมฐานต้องการจะรู้กฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ปฏิเสธทุกข้อหา ต้องใช้แน่นอนเราเป็นนี่เขาไม่ใช้อย่างไรนะไม่งั้นจะาอาตมาจะรู้เหรอว่าสิบสี่ตุลาคอท่านจะหักวัจชนเที่ยงสีบห้าสองพันห้าร้อยยี่สบ็ดหมดอายุแล้วแต่เราไม่รอดดา่าอย่าลืมโยมทุกคนโจทย์ส้งใจฟังอาตมาพออายุได้กรรมาฐานต่ออายุเทวันเกิดมาหน่กากรรมฐานบอกดยว่าบุคายเทวันเกิดกินเหล้านะ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 ต้องตายที่บานเวลาปู่ย่าตายายป่วยหนักมีมูมพระมาตอนนาส่วยตอนนาก็คือมาสอนกรรมฐานคนป่วยได้เย็นสติประฐานสี่ตัวสติประทานสี่สสสเลยฟื้นเลยสติดีขึ้นเลยก็ว่าพระสวยขรนลาวไม่ใช่พระมาสอนกรรมฐานนะกรรมฐานเป็นการต่ออายุได้ไม่เชื่อเลยเหรอองเนี่ยตายไปแล้วเ ย, ย่สิบกว่าปีเด้ก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 เขายังดูถูกเราแล้วก็หากับข้ามาในเรื่องจริงของอาตมาเลยตำนาน จ, จริงและประสบการณ์คือผูญญ้ยันตผมเอาคำนับมาเสือกแต่ผัวเขาเพื่อนเราไม่เป็นเพื่อนเลยกินให้มากๆก็าทั่งที่วันนั้นหิวตลอดมันาตาลังหมดแล้วที่ไปแล้วหนีแม่ไปถึงไม่มีเครื่องแล้วมีกระเป๋าย่างดี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 เมียรับดูผู้หญิงดูง่ายดูนกยุงดูแววที่หาดูผู้หญิงดูแววที่ตาเห็นหนอตามันดา่าเราตลอดมันไม่ได้รักเราเลยเหรอว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนผัวเขาจะยิ้มกับเราสักนิดไม่ได้แถมเาตูดด่าเราอีกนะแล้วลมันอ้วนด้วยขอประทานทอดเรืองจริงเวลายกคำรับมาลงสน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 เจอยกมือไห ว, คน น, นไวคนน้อนไหวคนนี้มือไม้อ่อนเนาะดีไหมดีนะเขาก็ถามบอกคุณทานข้าวอย่างโออิ่ไม่ต้องมันก็มองหน้าแหละบอกอินมวันนี้อิ่มมากทานบ้านเพื่อนมาแล้วแล้วเดี๋ยวหายไปเลยบอกคุณฟาบ้านก่อนหากับข้าวมาเยอะเราพอเห็นกับข้าวน้ําลายหลายยืดเยอะ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 เข้าบ้านก่อนพอเพราะเชีได้ทำงานรู้ไหมแสดงว่าไม่ <c oughs> ไม่ได้รับทานกินเข้าไปหิ้วจอาเยนพอเขามาเขาก็โมงแล้วเขายิ้มแสดงว่าร <c oughs> ู้โอ้โหทั้งวันแล้วไม่ยิ้วอะ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 คิดโน่คิดนี่อะไรแต่ไรตกัวตงวลเนี่ยจิต ท, ท่านจะไม่เป็นสมาธิเลยสามเหนื่อยใจเหนื่อยกายแบกกระสอบเดี๋ยวก็หายเหนื่อยใจไม่มีทางหายเหนื่อยใจเือเกินเหนื่อยใจเือเกินทุกข์ใจเือเกินเอาทุกข์มาไว้ที่ใจมันจะเหนื่อยใจนี่ก็สามสมาีิไม่เกิดเน่สี่โรคภัยค่เจ็บเบียดย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 หลานจะเข้าแพทย์หมอไม่เคยพลาดส่งให้ลูกให้หลานโยอมอาจจะมีหลานมีเหลนก็ดอาอีวัตต้องสวดมนต์ก่อนเน้ะก็นางกำรทานก่อนสํำหรับจิตมันไม่อยู่ที่อารมณ์ไม่ดีก็ต้องสวดมนต์ก่อนทำไมต้องสวดบุทธคณนท า, ายุเป็นการต่ อ, อยุคทำให้มากเข้าไว้ดีกว่าน้อยให้มันมากกว า, ายุมันจะได้ต่ อ, อยุคไป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 เราเป็นลูกของพ่อแม่เราทำดีอย่างเดียวพ่อแม่ก็ชื่นใจเนี่ยเท่านี้ปัญหาอยู่ทีงน้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันไม่ได้สร้างความดีลูกจะไม่สบายใจชันใดก็ชั้นนั้นเช่นเดีกันแต่พ่อแม่ทะเลาะ ก, กันเราเป็นลูกก็ไม่สบายใจถ้าเราเป็นพ่อแม่ลูกมันรบกันอย่างนี้เจะไม่เอาไหนเราไม่สบายใจเหลือสบายใจหลือนี่ชั้นใดก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็เวลาพอสมควรเนี่ย